สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสาสิบแปดอยากกล่าวโทษผู้อื่นนะครับเปิดฟังพระชนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่เจ็ดก็ที่หนึ่งถึงข้อที่หกอยากกล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร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 ท่านคนหน้าชื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขลียผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้อย่าให้ของประเสริฐแก่สุนัขอย่าโยนไข่บุกให้แก่สุ ก, กรเลือกว่ามันจะเหยียบย่าเสียและมันจะหันกลับมากับตัวท่านด้วยพี่น้องทับเพราะฉะนับพระเจ้าตอนนี้ ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่หกข้อที่สามสิบเจ็ดสามสิบแปดและข้อที่สี่สิบเอ็ดสิบสองด้วยเช่นเดียวกันครับพูดถึงเรื่องของการกล่าวโทษคนอื่นนั้นการกล่าวโทษคืออะไรภาษาอังกิษใช้คำ ว, ว่า judge ก็คือการพิพากษาว่าคนคนนี้มีความผิดและจะต้องมีโทษอย่างนี้อย่างนั้นพี่น้องครับในคำเทศานาบนภูเขานั้นมีข้อห้ามหลักๆอยู่นะครับ ในบทที่ห้าบทที่หกและบทที่เจ็ดอยู่สามอย่างด้วยกันครับข้อหาหลักๆนี้เหมือนกับเป็น อ, อหัวใจของมัทธีบทที่ห้าบทที่หกบทที่เจ็ดนะครับพระเยซูกําลังเตือนให้ชาวโลกและบรรดาผู้ที่ฟังพระองค์ว่าจงให้ความสําคัญกับธรมบญญธรมบัญญัติอย่าทําให้ธรรมบัญญัตินั้นเบาขึ้น นะครับอันนี้อยู่ในมัคธิบทที่ห้าข้อที่จุดเก้าถึงข้อทียี่สิส่วนมัคธิวบทที่หกนั้นก็เป็นข้อห้ามประการที่สองครับก็คืออย่าทําศาสน ก, กิจมิตรภายนอกเพื่อข่วนคนอื่นนะครับและในบทที่เจ็ดนี้ก็เป็นข้อห้ามหลักนะครับอันที่สามก็คืออย่ากล่าวโทษคนอื่นพี่น้องครับเรื่องของการกล่าวโทษนั้นจริงๆแล้วหรือการที่พักสานั่นเอง ครับคือการพิพากษานั่นเองการกล่าวโทษมีการพิพากษานั้นเป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าแต่ผู้เดียวนะครับพระเจ้าเท่านั้นที่ทอดพระเนตรเห็นท่าทีภายในของเราที่สแสดงออกมาและปรองทรงเข้าใจความรู้สึกและท่าทีอันแท้จริงของมนุษย์ครับในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองกล่าวชัดเจนมากครับว่าอย่า ก, กล่าวโทษเขาหรืออย่าพิพากษาคน อ, อื่นครับเพื่อพิพากเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษครท่าน นั่นหมายความว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เรากล่าวโทษคนอื่นนั้นมนุษย์ย่อมมีอัตติมนุษยมม์ษษย่อมมีจิตใจที่เอ็นเอียงมนุษย์ย่อมมีความลำลำเอียงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นการพิพากษาการกล่าวโทษคนอื่นของมนุษย์นั้นก็ไม่ค่อยอยุติธรรมไม่ค่อยชอบทำไม่ค่อยเที่ยงธรรมเท่าไหร่รับนี่คือสิ่งที่พระเยซูเตือนเราทั้งหลายบอกว่าจงระวังให้ดี เวลาที่เราพิาาพากษาคนอื่นเวลาที่เรากล่าวโทษคนอื่นนั้นเราจะต้องอยู่ในความชอบธรรมเที่ยงธรรมและยุติธรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าเรากล่าวโทษคนอื่นอย่างไรพระเจ้าจะทรงกล่าวโทษเราอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเราพิาาพากษาคนอื่นพระเจ้าจะทรงพิาาพากษาเราเหมือนกันที่นี่พระเยซูได้ส่งยกภาพสองภาพครับก็คือการตวง นะครับการตวงตวงให้เผาด้วยธนาคารใดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรากําลังช่างบางสิ่งบางอย่างนะครับด้วยมาตรฐานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็จะตวงหรือช่างบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราด้วยมาตรฐานเดียวกันพี่น้องครับระวองให้ดีครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ดิดทำนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สามารถมองทะลุ เข้าใจความรู้สึกและแท้ค่าทีแง่แท้จริงและทาาแท้ของเราท่าทีภายในใจของเราเนี่นครับคือสิ่งที่สำคัญ ม, มากเพราะเหตุที่ว่าเราจะต้องเริ่มมาระวังนะครับในการกล่าวโทษที่ภาคษาหรือตัดสินคนอื่นในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องริมมาระวังค่าทีในใจของเราด้วยครับว่าท่าทีในใจของเรานั้นบริสุทธิ์หรือเปล่าค่าทีในใจของเรานั้นมีอากติมีความกําเอียง มีการเข้าข้างมีความรักเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าถ้ามีความรักความชอบเป็นการส่วนตัวเราจะไม่สามารถตัดสินในสิ่งต่างได้โดยยุติธรรมชอบธรรมนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องนามาระวังให้มากที่สุดครับพระเยซูถึงกับสั่งว่าอย่ากล่าวโทษคนอื่นเพื่อพระเจ้าจะไม่กล่าวโทษเรานะครับ อันหนึ่งครับซึ่งเป็นภาคที่พระเยซูยกให้เราทั้งหลายรู้นะครับก็คือภาพของคนที่มีผงอยู่ในตานะครับมีผงอยู่ในตาท่านมีความหมายครับว่าเหตุไหนท่านมองดูผงในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านไม่รู้สึกหมายความว่าขณะที่คนคนหนึ่งับกำลังเขี่ยผงที่ในตาของคนอื่นนะครับ เหยียบผงที่อในตาของคนอื่นในขณะที่กา ร, บบการไม้ในตาของตัวเองเขามองไม่เห็นมองข้ามไปนั่นหมายความว่าอห่าครับหมายความว่าเวลาที่เราตัดสินคนอื่นเนี่ยระวังให้ดีครับคนที่ตัดสินเนี่ยยังมีความผิดมากกว่าคนที่ถูกตัดสินนะครับไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาเราเนี่ยเรามองไม่เห็นครับแต่กลับไปหาผงที่ในตาของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําอย่างเนี้นะครับพระเยซูบอกว่า เป็นคนน้าซื่อใจคดเมื่อพระเยซูพูดถึงหน้าซื่อใจคดนั้นพระเยซูหมายถึงพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีนะครับพวกที่เป็นนักการศาสนาทั้งหลายจ ร, รวมถึงตัวผมเองด้วยซึ่งเป็นผู้รับใช้กระเจา้าเวลาที่เราจะมองเวลาที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์เวลาที่เราจะตัดสินคนอื่นนั้นเราจะต้องหันมาดูตัวเราก่อนเสมอครับว่าตัวเรานั้นมีไมาาท้ท่อนๆหรือเปล่า ไม้นีมีความหมายว่าครับไม้นี้มีความหมายหนักหนามากกว่าผงครับหมายความว่าเป็นความอค ต, ติเป็นความบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มีต่างของเราและเราก็มักจะไปบอกกับคนอื่นนะครับว่าคนอื่นทั้งที่ตัวเรานั้นก็ไม่ได้ดีเหมือนกับเขาเพอเพอยิ่งกว่าเขาด้วยซ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงสอนครับนะครับ ใน ข, ข้อที่หกกันเป็นข้อที่มีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าหลายหลายคนอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับทำไมพระเยซู บ, บอกว่าอย่าให้ของประเสริฐแก่สุนัขของประเสริฐที่มีความหมายว่าอะไรสุนัขมีความหมายว่าอะไรนะครัอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรนะครับไข่มุกมีความหมายไวไย่ายอะไรสุกรมีความหมายว่าอะไรมมมไผมจะพยายามอธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะครับทั้งสุนัข และสุกรนั้นเป็นสัตว์ที่มีมนทินสําหรับคนยูนะครับอันนี้ต้องขอไปผู้ที่รักสุนัขชอบเลี้ยงสุนัขนะครับสุนัขนั้นในธรรมบัญญัติของหมูเสนั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีมนทินคนกินเนื้อสุนัขไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันกับหมูคับสุกรก็เป็นสัตว์ที่มีมนทินเหมือนกันนะครับชาวยูวก็จะไม่กินเนื้อหมูครับเพราะว่า หมูนั้นเป็นสัตว์ที่สดก็ปลกนะครับพี่น้องครับสัตวทั้งสองชนิดนี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีมนทินนะครับชูนักนั้นหลายครั้งทีเดียวคนยิวก็เปรียบเทียบนะครับว่าคนต่างชาติที่ไม่มีพระเจ้าคนต่างชาตินะครับที่ไม่ถือคำว่ญมัติเนี่นะครับก็เปรียบเส ม, มือนกัูนนักนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่คนยิวนั้นก็พยายาม เรียบเทีย่ยงหรือว่าตัดสินคนอื่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเราต้องเข้าใจบริบทนี้ว่าบริบทนี้นั้นพระเยซูไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าตัดสินว่าคนต่างชาตินั้นเป็นเหมือนสุนยัดนะครับแต่พระเยซูสอนในบริบทความคิดของคนยิวก็คือว่าสิ่งที่เป็นมลทินหรือว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะครับกับสิ่งที่บริสุทธ์ อันนี้คือความหมายที่ถูกต้องครับในข้อมีฉบับนิววิ i ิงนะครับเขาแปล ว, นะปว่าอย่าให้ของที่บริสุทธิ์กับคนที่ไม่บริสุทธิ์นะฮะเขาสรุปอย่างนี้นะครับว่าอย่าให้ของที่บริสุทธิ์กับคนที่ไม่บริสุทธิ์แทนหมายความว่าไงครับนั่นคืออย่าให้ของประเสริฐนะครับแก่คนที่ไม่ประเสริฐ อย่าโยนไข่มุกไข่มุกก็คือของที่มีค่านะครับให้กับสุกรก็คือกลัวว่าหรือเกรงว่าสุกรนั้นมันจะกลืนไข่มุกลงไปนะครับเขาไม่ได้ชื่นชมกับไข่มุกพ่อจะเปรียบเทียบกับภาษาไทยว่ากิ้งก่าได้ทองนะครับเขาไม่รู้ถึงความสําคัญหรือคุณค่าของทองับนะครับแต่คนที่รู้ถึงความสําคัญของคุณค่าของทองนะั้นนั่นหมายความว่าคนที่ เห็นคุณค่านะครับให้ความสำคัญกับคุณค่าและรู้จักทองนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะต้องให้ของที่ดีกับคนที่ดีนะครั บ, รบอย่าให้ของที่ดีกับคนที่ไม่ดีอย่าให้ของบริสุทธิ์กับคนที่ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะว่าเกรงว่าเขาจะเหยียบย่งเสียแล้วจะหันกลับมาทาร้ายตัยวเราด้วยพี่น้องครับนี่เป็นข้อคิดที่สำคัญนะครับ อะไรที่เป็นของบริสุทธิ์ครับอะไรที่เป็นของที่มีมวลถินคนนะประเภทไหนเป็นคนที่ประเภทที่บริสุทธิ์และคนประเภทไหนที่มีมวลถินเราต้องสังเกตให้ดีครับและเราจะต้องจัดครับว่าจัดว่าเราจะแบ่งปันขาวประเสริฐนะครับกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับพระเยซูทรงทราบครับว่ามีบางคนที่ไม่อยอมรับเรื่องของการไถ่บาป นะครับแห่งข่าวประเสริญนั้นในสมัยของพระองค์ก็คือพวกปริสีพวกผู้นําศาสนานะครับพวกเหล่านี้เนี่ยไม่เห็นด้วยกับพระองค์ไม่เห็นด้วยกับข่าวประเสริญไม่เห็นด้วยว่าพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าไม่เห็นด้วยว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านี่แหละครับคือสิ่งที่สอดคล้องทั้งตอนนี้นะครับก็คือบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกนะครับเรา ไม่อาจที่จะยักไม่อาจที่จะกล่าวโทษคนอื่นนะครับและเราต้องสังเกตครับว่าใครเป็นใครใครเป็นอะไรเพื่อที่การรับใช้นะครับการประจักษ์เผ่าบทสของเรานั้นจะเกิดผลนะครับพี่น้องครับท่านสังเกตไหมครับว่าพระเยซูกล่าวถึงคนหน้าซื่อใจกดนะครับหลายครั้งทีเดียวนะครับในสาบทนี้บทที่ห้าบทที่หกบทที่เจ็ดนะครับและในที่สุดนะครับ ในมัทธิวบทที่ยี่สิบสามพระเยซูบอกกันครับกับพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์ทัง้งหลายบอกว่าในที่จุดก็คือวิบัติครับวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีคนหน่าซื่อใจคนเพราะพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าใจและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ขัดขวางไว้พี่ยงครับในที่สุดนั้นพระเยซูก็พูดกับเอาตรงๆนะครับ ไม่อ้อมค้อมนะครับหลังจากที่พระเยซูค่อยๆให้โอกาสค่อยๆพูดนะครับค่อยๆเผยออกมาในที่สุดพระเยซูรู้ครับว่าคนเหล่านี้ไม่กลับใจใหม่ครับนะครับพระเยซูก็เลยบอกว่าอย่าให้ของประเสริฐแก่สุนัขและอย่ายโยนไข่บุกให้สุด ก, ก่อนขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องแก่ทุกท่านในวันนี้อาเมน